มีชายหนุ่มคนหนึ่งนะแกเป็นคนรักสัตว์มากแล้วก็มีอาชีพเกี่ยวกับสัตว์โดยตรงเลยก็คือไปจัดหาสัตว์ที่หายากนะแล้วก็ส่งต่อให้กับผู้ที่ว่าจ้างซึ่งส่วนใหญ่คงจะเป็นพวกสวนสัตว์นะแ้วแกก็มีที่อยู่ประมาณสองไร่นะแถวจอหอเป็นที่สําหรับพักสัตว์ สัตว์ที่ติดต่อมาได้นะก่อนที่จะส่งไปให้ผู้ว่าจ้างก็จะให้มาพักในพื้นที่เนี่ยแถวจอหอโคราบก็เลี้ยงดูอย่างดีนะระหว่างที่อยู่ในการดูแลของแก่ตอนหลังเนี่ยพอมีคนรู้ก็อยากจะมาดูนะโดยเพพาะครู แถวโคราดเนี่ยอยากจะพานักเรียนมาดูสัตว์เพราะว่าสัตว์ที่แกมีเนี่ยหรือดูแลอยู่เนี่ยมันก็ไม่สัตว์หายากสิงโตเนี่ยสิงโตเนี่ยมันอยู่แอฟริกานะแต่ว่าแกก็รับมาดูแลชั่วคราวสิงโตก็มีหลายพันด้วยแล้วมีแมวป่าย์นะแมวป่าก็หลายพันรวมทั้ง พวกหมูป่าม้าล่อพวกนี้ก็เป็นเรียกว่ามาจากต่างประเทศก็เลยหาดูยากต่อหลังเนี่ยแกก็เกิดความคิดว่าน่าจะเปิดเป็นมินิสวนสัตว์นะมินิสู่หรือว่าสวนสัตว์ขนาดเล็กไม่ได้เอากำไรนะเปิดให้คนมาชมได้ฟรี พรอยากเปิดโอกให้เด็กๆนี่ได้มาเห็นสัตว์แล้วเกิดความรักสัตว์จะเปิดไม่ได้อาทิตย์เดียวก็ต้องหยุดนะบอกขอเลิกขอปิดสวนสัตว์นี่คือเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วเปิดได้แค่อาทิตย์เดียวต้องเลิกหยุดเลยเพราบอกว่าเนี่ยไม่ว่าผู้ใหญ่หรือเด็กที่มาดูเนี่ยปฏิบัติกับสัตว์ไม่ถูกต้อง เขาบอกว่าอย่าให้อาหารสัตว์นะก็มีบางคนนี่โยนข้าวเหนียวให้นะไม่ใช่ข้าวเหนียวธรรมดานะ่ข้าวเหนียวใส่ถุงพลาสติกให้สัตว์ให้เต่าให้มา้าให้ลาไอ้ข้าวเหนียวใส่ถุงพลาสติกนี่นะกินเข้าไปนี่ก็ตายได้นะีกอย่างก็นั้นคือว่า เด็กเนี่ยชอบรังแกสัตว์โดยเพราะสัตว์ที่เขาไม่ค่อยดูร้ายเนี่ยเช่นม้าล่อเนี่ยไปขยุ่มขนดึงเนี่ยก็ เ, เห็นแล้วก็สงสารสัตว์นะใจจริงใจหนึ่งก็อยากจะให้เด็กได้มาใกล้ชิด ก, กับสัตว์เหล่านี้แต่เห็นสัตว์ถูกรังแกแบบนี้แล้วเขาก็ทนไม่ไหวเลยขอประกาศยุติ ปิดสวนสัตว์เลยเ อ, อ่านี่น่าเสียดายมากสิ่งที่น่าชื่อคือว่าเด็กเนี่ยธรรมชาติของเด็กเนี่ยนะจริงๆก็รักสัตว์นะไม่ต้องสอนนะนะเด็กก็จะมีความผูกพันกับสัตว์โดยเพราะสัตว์ตัวเล็กๆหรือว่าลูกสัตว์นะมัจะเป็นลูกไกล่ลูกแมวลูกหมาหรือแม้ลูกสิงโตเนี่ย สัตว์ใหญ่ก็เป็นงั้นนะเด็กนี่ก็มีความผูกพันนะธรรมชาติของเด็กเป็นอย่างนั้นนั้นเด็กเนี่ยเวลาเจอสัตว์เนี่ยก็มักจะมีธรรมชาติที่นุ่มนวลอ่อนโยนแต่ทําไมในเด็กถึงรังแกสัตว์นีอันนี้มันคงไม่ใช่เรื่องธรรมดาอาจจะเป็นเพราะว่าได้แบบอย่างจากผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่เนี่ยชอบรังแกสัตว์นะ เด็กก็เลยทำตามหรือมิฉะนั้นเนี่ยก็เด็กมีปัญหาจากคนในบ้านโดยเฉพาะพ่ อ, พอแม่บางทีพ่อแม่ใช้ความรุนแรงกับลูกใช้อารมณ์กับลูกลูกนี่ก็ตอบโต้ไม่ได้เกิดวความเก็บกดขึ้นมา ก, ก็ไประบายกับสัตว์ให้ความรุนแรงนี่มันถ่ายทอดกันเป็น ถอดทอดได้นะอย่างเมียเนี่ยนะด่าว่าผัวผัวก็ตอบโต้ไม่ได้กลัวเมียรหรือว่าอาจจะพ่อมีความผิดบางอย่างตอบโต้ไม่ได้แต่ก็มีความหงุดหงิดมีความไม่พอใจพอไปที่ทำงานก็ระบายใส่ลูกน้องลูกน้องตอบโต้เจ้านายไม่ได้เนี่ย เกิดวความเก็บกดขึ้นมากลับไปบ้านก็ระบายใส่เมียเมียเถียงผัวไม่ได้นะหรือเถียงสู้ไม่ได้ก็ระบายใส่ลูกลูกพูดผิดหูหรือว่าอาจจะไม่ค่อยมีระเบียบไม่เชื่อฟังล้างจานไม่สะอาด ดูว่าส่งเสียงดังแม่ก็ด่าลูกให้ลูก็ตอบโต้ไม่ไดนะ้เก็บเอาไว้ในใจก็มีความทุกข์มีความเครียดพอเจอหมาพอเจอแมวก็ระบายใส่แมวเตะแมวนะเตะหมาไอหมาหรือแมวนี่มันก็เป็นทุกขนะ์ไง พอมันโกรธเข้าแต่มันระบายไม่น้าก็าระบายใส่เพื่อนหรือหมาจรจัดอันนี้มันเป็นความรุนแรงที่มันส่งต่อกันเป็นทอดๆถ้าเราไม่สังเกตแล้วก็ไม่เห็นเพราะนั้นการที่เด็กเนี่ยเขาชอบรังแกสัตว์เนี่ยใช้ความรุนแรงกับสัตว์นี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาหมอสันนิษฐานว่าเด็กก็อาจจะถูกรังแก หรือถูกกระทําโดยคนอื่นซึ่งอาจจะเป็นพ่อแม่แต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่แน่แล้วนะอาจจะถูกกระทําจากครูก็ได้เพราะครูจำนวนไม่น้อยก็ใช้ความรุนแรงกับเด็กกับนักเรียนโดยเพราะครูที่ไม่เข้าใจเด็กเด็กไม่ค่อยเชื่อฟังเด็กไม่ค่อยมีวินยัยหรือมองว่าเด็กเกเรก็ใช้ความรุนแรงด้วยคําพูดบางด้วยการกระทำบาง แต่เดี๋ยวนี้มันก็อาจจะถูกกระทาจากเพื่อนด้วยกันก็ได้นะเรียก บ, บูลลี่นะเพื่อนร่วมชั้นหรือว่าเพื่อนรุ่นพี่ก็ระบายใส่นักเรียนตัวเล็กๆนักเรียนตัวเล็กก็เก็บกดก็ไม่รู้ระบายใส่ใครนะพอเจอสัตว์ก็ระบายใส่สัตว์เฉลยนะลังแกสัตว์อันนี้มันเป็นสิ่งที่เราเห็นได้ทั่วไปนงะั้นเวลาเราเจอพอเจอข่าวแบบนี้แล้วมันก็ ชวนให้ได้คิดนะว่าทำไมนี่เด็กเนี่ยจึงชอบรังแกสัตว์ทั้งที่มันไม่ใช่ธรรมชาติของเขาเลยแต่ว่าส่วนที่ดีมันก็มีนะวันก่อนก็ได้ดูข่าวมันมีงูตัวหนึ่งเนี่ยมันเลื้อยเข้ามาในบ้านของชาวบ้านครอบครัวหนึ่งนะอยู่ที่สุริน สามีนีไม่กลัวงูนะจับงูได้แต่ก่อนที่จะไปปล่อยก็สังเกตนะงูเนี่ยมันมีเห็บมันมีเห็บเกาะอยู่ตามตัวตามหัวตามคอทำอยังไงนะช่วยนะช่วยดึงเห็บออกจากเปล็ดงูทำอย่างแผวเบามากทั้งผัวทั้งเมียเลยช่วยกันได้เห็บมาประมาณยี่สิบตัวได้ เจ้าของก็บอกเนี่ยถ้าใส่เห็บนี่มัคงจะดูดเลือดงูนี่มาเยอะเลยนะงูนี่มันไม่มีแรงเลยบางเออเป็นงูที่ไม่ดูนะเป็นกระรังงูหลายสอนั่นแหลหน้าชื่นชมนะโอ้หเมื่คุณนี่นคนธรรมาดาเนี่เวลาเจองูเนี่ยบางทีไม่เพียงแต่ว่าเขี่ยเอาไม้เขี่ยมันไปกบางทีทําบางทีฆ่ามาเลย ข้ามันาความกลัวแต่ลายนี้นี่เขามีเมตตามากเอาเห็บเนี่ยดึงเห็ออกมาให้งูมันก็ยอมนะอันนี้อาจจะว่าโชคดีนะเป็นงูไม่มีพิษแต่งูมีพิษบางตัวก็โชคดีนะใน ท, ที่ที่กระบี่เนี่ยมันมีงูจงอางเข้ามาในบ้านเนี่ยเจ้าของบ้านก็เรียกหน่วยกู้ภัยมา หน่วยกูพภัยมาสองสาคนนะจับงูจงอางได้ก่อนจะไปปล่อยสังเกตนะมันมีเห็บนะฮุสานะอุส่าดึงเห็บนะใช้แหนมเนี่ยดึงเห็บออกจากงูจงอางกดคอมันเอาไว้กดหน้ากดหัวมันเอาไว้แล้วก็ดึงเห็บ <c oughs> ออกมาทีละตัวทีละตัวทีละตัวดึงไม่พอนะทายาแดงให้อีกนะแล้วก็ยังไม่ไปปล่อยทันทีนะเอาไปใส่ไว้ในกรง ให้มันฟื้นฟูสุขภาพแล้วค่อยปล่อยมันเอ อ, อ น, นี่มันก็เป็นข่าวที่ดีนะมันไม่ใช่มีแต่ข่าวคนรังแกสัตว์นะคนที่มีเมตตาต่อสัตว์แม้กระทั่งสัตว์ที่ดุร้ายอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่านุ่มนทนาเพราะจริงๆแล้วสัตว์เหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่คิดจะทาร้ายคนหรอกแล้วมันก็มีปัญหาของมันเองมีความทุกข์ของมันเองถ้าคนเราเนี่ยนะไม่หวาดกลัว ลังเกียตรตศตว์เหล่านี้เห็นมันแล้วแล้วก็เห็นมันทุกข์ช่วยเหลือมันตามภาษาเพื่อนร่วมทุกข์นี้นี่ก็ได้บุญนะเป็นบุญที่มีนิสงมากทีเดียว